รวมสิกขาบทที่มีในอเจลก่าววักอเจลก่าววักมี10สิกขาบทคือ 1. นึอเจลกะสิกขาบทว่าด้วยนักบวชเปลือย 2. อุยโยชนะสิกขาบทว่าด้วยการส่งกลับ 3. สาพโพชนะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงในที่ที่มีคนสองคน 4. ีระโหปฏิชนะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับมีสิ่งกำบัง 5. ระโหนิสั ช, ชะสิกขาบทว่าด้วย การนั่งในที่ลับหกจาริตตสิกขาบทว่าด้วยการเที่ยวสัญจรไปเจมหานามาสิกขาบทว่าด้วยพระเจ้ามหานามสักยะแปดอุยยุตเะเสนาสิกขาบทว่าด้วยกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบ 9. เก้าเสนาวานสิกขาบทว่าด้วยการพักอยู่ในกองทัพ 10. อุยโยทิกะสิกขาบทว่าด้วยการไปดูสนามรบ